สติตัวเดียวหลวงปู่จุมพันธุโลเนี่ยถือเป็นพระว่าแม่ครูอาจารย์เนี่ยที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ม่มนผู้เลียโตพระแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่าถามหลวงปู่ม่มานว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีสมาธิหลวงปู่ม่มนบอกว่าอย่าไปดูที่สมาธิให้ดูที่สติถ้าสติมีแน่ๆตอบได้สติไม่ขาดแน่อันนั้นแน่สมาธิก็มีให้ดูที่สติ อย่าไปดูที่สมาธิดูที่สตาาิถ้าส ต, าาาตาาิยังมีอยู่นั่นแหละมีสมาธิสติมีอยู่มันก็จะไม่ดูดไม่ผักแค่สักแต่วารุนั่นแหละถ้าสติขาดสมาธิก็จะขาดปัญญาก็จะขาดทำก็จะขาดเป็นทุกสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดทำขาดเป็นทุกถ้าสติมีสมาธิมีปัญญามีทำมีไม่ทุกสติเป็นมหาสติมหาเป็นเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญา เป็นพระนิพพานพ้นจากทุกสติอันเดียวก็ไม่หลาเพราแม่ครูอาจารย์ว่าสติอันเดียวทุกท่านสติอันเดียวค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายคําว่าการมีสติอีกนิดนึงได้ไหมคะสติตอนนี้นนะถ้ามีสติอยู่ก็จะเข้าไปดูดไปผักอะไร<ม>แค่สักดตวันรู้ทุกอย่างตั้งภายนอกและภา ย, นยาในอันนี้เอ่า ถ้าเราเนี่ยรู้แต่ภายนอกมันก็จะหลงนะนี่ถ้าเราเนี่ยขณะที่เราเนี่ยตาเห็นเนี่ยตาเห็นลงตาเนี่ยหูก็ฟังเสียงลงตานะถ้าเราเนี่ยรับรู้แต่ลงตาอย่างเดียวฟังลงตารู้เรื่องเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะในการฟังแต่ไม่ได้ขาดกสติเนี่ยสติปัญญาที่ตัเกตเห็นภายในใจของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกในคิดอารมณ์อย่างไรอยู่ตลอดเวลา พูดแตกจรลงตาคิดนึกติดตองซ yani ้อนทบทวนเออเราก็เป็นนะอย่างนี้เราเคยมาโอ้ยอย่างนี้นะเออเราเคยเป็นอยู่เนี่ยเราก็เคยเป็นอย่างนี้เลยเหมือนที่ตาพูดเลยมันเหมือนอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นมันจะพูดซ้อนอยู่ในใจลุงตาอย่างเงี้นในใยแล้วก็สติสัมปชัญญะก็รู้ตัวทั่วพร้อมทั้งข้างนอกและทั้งข้างในก็มีสติปัญญาที่จะสักตวันรูอยู่ที่ใจของเราเน pase, ี่ยสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจอยู่ตลอดเวลาโดยที่สักตะวุเอู้ ไม่ติดไม่ดูดไม่ผักแค่สัตว์ตรบรูที่ประตูใจอยู่ตลอดเวลาสรุปแล้วคือไม่ว่าจะรู้อะไรท้งตาหูจมูกลิ้นกายใจท้งประตูทั้งหกเนี่ยคือรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารธรรมอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารอันเนี้ยคือรู้ว่าอาการของใจรับรู้อะไรอาการอะไรภายในใจให้สติเนี่ยตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปวางที่ใจ อย่าไปให้ค่าให้ความสําคัญต่ออารมณ์ที่ถูกรู้รูปเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้เขาจึงเรียกว่ารู ป, ปาลมรูปบวกกับอารมณ์คือเป็นเครื่องรู้ของจิตหรือวิญญาณขันผ่านประตูตาจึงเรียกว่ารูปาลมเวลาเสียงเนี่ยเสียงเป็นเครื่องรู้ของจิตหรือวิญญาณขัน ผ่านประตูหูเรียกว่าพรอผ่านประตูหูก็เลยเรียกว่าโสดเน่ยหูนี่ก็โสดใช่ไหมโสดบวกกับอารมณ์ก็เป็นโสตะโสตาลมนีตอนนี้พอจมูกจมูกก็เป็นอารมณ์ของจิตหรือวิญญาณอาขันโดยผ่านรับรู้ผ่านจมูกนี่พออารมณ์บวกกับกินเนี่ยพอกินบวกกับอารมณ์ กินก็คือคันธาคันธาคันทะบวกกับอารมณ์ก็เป็นคันธาลมตัวนี้ริณไปกระทบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มก็อันนั้นรสเนี่ยก็เป็นอารมณ์ของจิตวิญญาณขันผู้รู้แล้วก็รู้โดยผ่านรินพอพอรู้รสมันก็เลยบวกกับอารมณ์ก็เลยเป็นละสาลม สิ่งที่มาสัมผัสผิวกายเรียกว่าผลถภาผลถภาเป็นเครื่องรู้ของจิตวิญญาณอาคารผู้รู้จิตวิญญาณอาคารในขันธ์ที่หเนี่ยเป็นทำหน้าที่เป็นผู้รู้แล้วก็รู้ผลถภาบวกกับเป็นเครื่องรู้ก็เลยเป็นอารมณ์อ่าเป็นเครื่องรู้ของจิตวิญญาณอาคารผ่านผ่านผิวกายก็เลยเรียกว่าผลถภาลมตอนนี้อาการของใจเวทนาสัญญาสัางขารเวทนาคือความรู้สึก เป็นสุความรู้สึกเป็นทุกข์ความรู้สึกเป็นกลางๆสัญญาความจําได้ไม่รู้สังขารคือคิดปรุงปรุงคิดเนี่ยสามยาสามอันของขันเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารสามอันของขันเนี่ยของขันหน้าเนี่ยอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นธรรมารมณ์ที่ปรุงแตง่งเป็นธรรมชาติธรรมอารมณ์ก็คือเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจมีอาการได้กระเพิ่มได้ไหวตัวได้เกิดดับได้เวลาร่างกายที่ตายเน่าแล้ว จะมีอาการร่างกายที่เน่าเนี่ยมีอาการแบบนี้ไม่ได้มีเวทนาสัญญาตั้งขานไม่ได้ร่างกายที่เน่าจะไม่มีอาการของอธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเพราะธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเนี่ยบวกกับมันเป็นเครื่องรู้ของจิตวิญญาณาขันเรียกว่ามโนวิญญาณไปรู้ธรรมารมณ์นั้นเลยกลายเป็นธรรมอารมณ์ธรรมะธรรมะรรมคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งบวกกับเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของมโนวิญญาณมันก็เรียกว่าธรรมอารมณ์ ที่พูดแต่ยี่ยาวนี่ก็เพื่อว่าะจะเห็นว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือผลถภาหรืออาการของใจทุกชนิดคือเวทนาสัญญาสังขารคืออารมณ์เป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตหรือวิญญาณอันขัตอนนี้ทุกขณะที่กระทบในปัจจุบันน่ะถ้าเราขาดสติเนี่ยตอนนี้พอเราถามเรื่องสติก็เลยต้องยาวเลยพอเราขาดสติเนี่ยสติมันไม่มันไม่ได้มาตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจแล้วเพราะว่า ถ้าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรัดที่ใจปล่อยวางที่ใจทุกขณะปัจจุบันที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะเห็นทันทีเลยว่าเราจะรู้หรือเห็นทันทีว่าทุกขณะปัจจุบันว่าจิตวิญญาณขันเนี่ยเมื่อไปรู้อารมณ์แล้วเนี่ยทาตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือไปรู้รูปลดกินเสียงสัมผัสและรำอารมณ์แล้วเนี่ยเขาโดยธรรมชาติเขาก็จะต้องทํางานโลกกับเจตสิกคือพอวิญญาณขันไปรับรู้ธรมอารมณ์รับรู้รูปรับรู้อารมณ์คือรูปรดกินเสียงสัมผัส แ, แล้วก็ธรมอารมณ์แล้ว เขาจะต้องทํางานร่วมกัเกบเจตสิก ค, คือส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารทันทีมันเป็นกระบวนการทํางานของขันธ์หน้าอพอพอูดปุ๊บมันก็จะต้องรู้รูมรดกิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์ปุ๊บมันจะต้องถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆลนี่เดยธรรมชาติถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆและต้องส่งต่อสัญญาคือจําได้ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่งต่อสังขารคือคิดปุงปุงคิดนี่คือพอส่งต่อเนี่ยพอส่งต่อเวทนาปุ๊บ พอวิญญาณขันไปรับรู้ปุ๊บส่งต่อเวทนาวิญญาณขันตัวตัวเดิมดับไปตัวเกิดวิญญาณขันตัวใหม่มารับรู้เวทนาพอรับรู้จวนาจะเวทนาดับไปวิญญาณขันก็ดับไปแล้วก็เกิดสัญญาสังขารก็เกิดวิญญาณขันตัวใหม่มารับรู้สัญญาสังขารแล้วก็ดับไปแล้วเกิดวิญญาณขันตัวใหม่มารับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็รับรู้ธรรมอารมณ์อีกตัวใหม่อย่างเงี้ยเลยเกิดดับเร็วมากวิญญาณจิตวิญญาณขันเนี่ยเสี้ยวนาทีเดียวเกิดดับเป็นเป็นไม่รู้กี่ล้านเป็นล้านล้านขนาด นี่มากมายเร็วมากเลยเพราะว่ามันเกิดดับเร็วมากเพื่อจะให้ทันรับรู้ต่างๆาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้ทําอาการของธรรมอลมต่อๆไปมันเลยเกิดดับเร็วมากอย่างเนี้ยแต่เราไปไล่อย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะมันเกิดดับเร็วมากเราไปไล่ดูจิตวิญญาณแต่ขันที่ที่ส่งต่อไปาสัญญาณตั้งขานเนี่ยเราไปไล่อย่างงี้ไม่ได้เราไม่ต้องไล่ขอให้ไม่ว่าจะรับรู้อะไรต่างๆาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายใจ ท, ทุกขณะปัจจุบันให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจลาที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจคือสังเกตอยู่ที่ประตูใจตลอดเวลาว่าไปรู้รูปเนี่ยแล้วอารูปเนี่ยเขามาวิพาควิจารณ์ในใจว่ายังไงรู้เสียงแปลเสียงเนี่ยมาวิพาควิจารณ์ในใจไงรู้กินก็กินนั้นมาวิพาควิจารณ์ในใจไงรู้รถก็เอารถนั้นมาวิพาควิจารณ์ในใจอย่างไงรู้สัมผัสแล้วก็เอาไอ้ที่สิงผดผลาที่มาสัมผัสเนี่ยเอามาวิภาควิจารณ์ในใจอย่างไรรู้ธรรมลมร like ู้ว่าเวทนาสัญญาสั้งขัน รู้อาการของใจใจสบายใจไม่สบายเอามาวิพาควิจารณ์ในใจอย่างไรแต่เราสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจคือแค่สักตะวันรู้แค่สักตะวะนรู้แค่สักตะวันรู้ไม่ดูดไม่ผักแค่สักตะวะนรู้ไม่ดูดไม่ผักไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจมันจะต้องเอามาวิพาควิจารณ์วิพาควิจารณ์เรารู้แล้วเราก็แค่สักตะวัรู้ไม่ดูดไม่ผักแค่สักตะวะรู้อยู่ที่ประตูใจอย่างนี้จะเรียกว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเนี่ยไม่มาสักตะวะนรู้ปล่อยวางที่ประตูใจแล้วเนี่ย เราจะส่งจิตออกดอกไปหาอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกรู้คือเรามใช้ชีวิตประจําวันทั้งวันเนี่ยเราก็จะเพลินรับรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่รู้ว่าประตูใจเราเนี่ยมันมีความคิดนึกตึกตอนปรุงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่กระทบในขณะปัจจุบันอย่างไรเราก็จะรู้แต่สิ่งที่ถูกรู้คือเพลินทํางานทั้งวันเพลินพูดเพลินคุยเพลินกินเพลินดูหนังฟังเพลงเพลินเล่นโทรศัพท์มือถือเราก็ส่งจิตออกนอกตลอดเลย ถ้าส่งจิตออกนอกเนี่ยมันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกมันเป็นทุกข์นี่คืออริยสัจสี่ผู้เจ้าสอนอยู่จนสิ้นดับขับนิพพานก็สอนอริยสัจสีเนี่ยเป็นส่วนใหญ่คือจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตีลุงปูดูนตุโลเนี่ยท่านเอามาเอามาสรุปก็คือจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือจิตที่ส่งออกนอกไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ นี่คือฝ่ายทุกข์คือไปรับรู้แล้วก็ไปสนใจให้ค่าสําคัญต่อสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์ที่ถูกรู้ในทุกขณะปัจจุบันให้เข้ามามีอิทธิพลเหนือใจเราคือทั้งดูดหรือผลักถ้าถูกใจก็ดูดถ้าไม่ถูกใจก็ผลักก็มาให้มีอิทธิพลต่อใจเราอย่างนี้ทรงจิตออกนอกนะทรงจิตออกนอกจะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์อันนี้ที่เรามีความทุกข์อยู่มีชีวิตประจาําวันทุกข์อูเนี่ยคือเราดําเนินชีวิตอยู่ในฝ่ายของส ม, มุไทย ที่ตะไมบอกว่าเราทุกหนอทุกหนอทุกหนอทุกหนักหนอเนี่ยก็เพราะว่าทุกคิดประจําวันเนี่ยเราส่งจิตออกนอกตลอดเวลาเลยเราให้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมีค่ามีความหมายมีอิทธิพลต่อใจหมดแม้แต่หนูเนี่ยไปให้ค่ายความให้ค่ายความหมายต่อใจที่ว่างเปล่าใจที่โปร่งโล่งเบาสบายอันเนี้ยก็ไปให้ค่าให้ความหมายต่อธรรมอารมณ์ที่ถูกใจอันเนี้ยมันก็เท่ากับว่าเราส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ เราเลยทละเลาะเบาแยงกับครอบครัวก็ว่าหูดหงิดเวลาเขามากระทบกันเพราะว่าเราไปให้ค่ากับใจที่สบายเราเลยรังเกียจอาการที่ไม่สบายเราไปให้ค่าต่อเวทนาความสบายใจไม่นสุขเวทนาความไม่สบายใจเป็นทุกขเวทนาพอเรายึดถือปุ๊บใจก็เลยไม่ว่างเลยพอใจไม่ว่างพบกระทบปุ๊บมันก็เลยเกิดปัญหาวันวิธีปฏิบัติที่เราบอกว่าทํายังไงถึงจะมีสติต่อเนื่องไม่ขาดสายก็เนี่ยสติตั้งที่ใจ ดูที่ใจรู้ที่ใจรักที่ใจปล่อยวางที่ใจอยู่ตลอดเวลากระทบอะไรทางตาหูจมูลกายใจทุกขณะปัจจุบันจะส่งจิตออกนอกไปให้ฆ่าสังขารแต่สิ่งที่ถูกรู้ต่ออารมณ์ที่ถูกรู้ให้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจรักที่ใจปล่อยวางที่ใจตลอดเวลาว่าเนี่ยจิตใจเราเนี่ยเอาสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้ในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเอามาวิภาควิจารณ์นี่ในใจว่าอย่างไรแล้วก็สักตะวรู้ที่ประตูใจสักตะวรู้ที่ประตูใจ อย่างนี้ถ้าเราทํานี้ตลอดเวลาไม่ส่งจิตออกนอกไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้สักตะวัรู้ที่ประตูใจว่ามรรทุกขนาะที่กระทบต่างๆเจ้าหมูใใกริ้นกายใจเนี่ยจิตใจเนี่ยเอารูปรถกินเสียงสัมผัสเอาธรรมอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารอาการของใจที่ถูกใจไม่ถูกใจโป่งโลบงเบาสบายไ ม, ไม่โป่งไม่มโล่งไม่เบาสบายมีความคิดความนึกอารมณ์ต่างๆไปกุศลบ้างอกุศลบ้างเนี่ยเอามอามวิภาควิจารณ์เน่ยเอามาตึกตองคิดตึกตองอยู่ในใจว่าอย่างไร แล้วก็สักตะวัรู้ที่ประตูใจปล่อยวางอยู่ที่ประตูใจก็จะพ้นจากทุกได้นี่เรียกว่าเป็นผู้มีสติอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายก็จะพ้นจากทุกได้เหมือนกับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยในอรหารเจ็ดขวบที่สอนพระใบลานเปล่าพระโปติราที่เป็นพระเถระจาคําสอนพระเจ้าได้มากแต่ไม่แต่ไม่ได้ปฏิบัติได้ก็เลยไปไปหาพระเจ้าที่เราพระเจ้าก็บอกว่าไงใบลานเปล่ายังไงพระใบลานเปล่ายังไงพระใบลานเปล่า เอ๊ะทำไมพุทธเจ้าเรียกเราพระใบาลานเปล่านะก็เลยพุทธเจ้าไปถามพุทธเจ้าก็ไม่สอนเพราะว่าไม่แต่ความรู้ปฏิบัติก็ไม่ได้หรือไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ทราบจำไม่ได้ก็ไปเลยไปไปถามพระองค์อื่นก็บอกว่าทำไมพุทธเจ้าเรียกเรียกผมเป็นพระใบาลานเปล่าตอนนี้ท่านเป็นพระเทระผู้ใหญ่ไม่มีใครกล้าสอนท่านทั้คนถามไทยก็ไม่กล้าใครกล้าสอนจนไปถึงเนรอาลานเจ็ดขวบกราบเนรอาหลานเจ็ดขวบเลยเป็นอาจารย์ ช่วยสอนหน่อยช่วยสอนหน่อยเพระพธธาะจรรับรองว่าเน้นเจ็ดขวบเนี่ยบรลรลุอรหันต์้เออเนี่โอ้เจ็ดขวบบรรลุอลหรหันต์ได้นะหไหมหมนี่มีสิทธ์ได้นันเนี่ยออยู่น้อยเด็กนิวน้อยเ น, น, นี่นยเจ็ดขวบบรรลุอลหรหันต์ได้นะเห็ น, หนดูถูกไม่ได้เด็กเด็กเด เ, เนี่ยก็รู้อรหันต์แล้วไปกราบในอรหันต์เจ็ดขวบเป็นอาจารย์เลยเนนก็เออพอิลาไม่้นเป็นอาจารย์ไ้ไงเน้นไปเจ็ดขวบไม่ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดอ่อนวอน ทุกอย่างจนกระทั้งเนรเห็นว่าท่านพระโพธิละท่านหมดทิฏฐิมาหน้าแล้วเลยให้ไว้ว่า <c oughs> อะไรเอ่ยมีจอมปวกยาวาหนาคืบกว้างศอกมีรูอยู่หกรูเอจอมปวกยาวาหนาคืบมีรูอยู่หกรูเออะไรเอ่ยเอ้ยาวาหนาคืบกว้างศอกเออจอมปวกยาวาหนาคืบกว้างศอกมีรูอยู่หกรูในจอมปวกนั้นมีตัวเฮี้ยอยู่ อมีตัวเหี้ยใช้คว่าตัวเหี้ยเลยตัวเหี้ยมันมีตัวเหี้ยอยู่ทายังไงมันจะฆ่าตัวเหี้ยเนี่ยให้ได้เนี่ยมันก็ไปออกไปหากินกิเลสเนี่ยทางไอ้รูหกรูนี่แหละชอบส่งจิตออกนอกไปไงส่งจิตออกนอกไปในรูหกรูนี่แหละส่งจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยนี่ได้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์อ่ะชไปส่งจิตออกนอกไปไปรักไปชังทำให้จะฆ่าไมนได้ตายเลยตัวเหี้ยเนี่ยตัวกิเลสเนี่ย อพระปพธิลาก็บอกว่าไม่ยากเลยมันออกลูไหนก็จัดการเลยมันออกลู่ไหนก็จัดการโอ้ยมันมีเต้าหกู่เวอร์ไปจัดการยังไงมันทันนะพรับๆรๆๆไปไล่ตัวนี้ก็รู่น้นออกไล่นี้ออรู่นี้รู่ตาลูหูลู่จมูกรู่นี่ลูกายรู่ใจโดยเฉพาะไอ้ลู่ใจเนี่ยมันคิดแปบแปบๆๆๆทั้งวัน่ะไม่เห็นใครเลยอยู่ในห้องคนเดียวอะมันจะคิดต้นคิดนี่ได้เลยอ่ะตั้งหักทั้งช่างถูกใจไม่ถูกใจพอใจไม่พอใจมันจะคิดอยู่คนเดียวได้เลยเดนอลานเจ็ดขวบเลยบอกว่าโอ้้ยา่่งันไไมด เปิดหมดเลยอ่ะหกประตูก็ตายแล้วจับมันไม่ได้หลักให้ปิดจะห้าประตูปิดจะห้ารูแล้วเปิดไม่รูเดียวเอปิดรูไหนมาแล้วเปิดรูเดียวถึงจะบรรลุได้เปิดรูไหนไอ้เปิดผิดรูนะกระตาเนี่ยอย่าไปสอดสายถ้ามีกิเลสสำรวมไม่ดีๆเนี่ยปิดประตูตาหูก็อย่าไปสอดสายฟังอะไรไปกิเลสอืมก็ปิดไว้ดีๆ จมูกก็สำรวมไว้ดๆีๆอย่าไปดมอะไรที่เป็นกิเลสลิ้นก็สำรวมไว้ดๆีๆอย่าไปกินอะไรที่มันเป็นกิเลสกายก็สำรวมไว้ดๆีๆอย่าไปสัมผัสเสียดสีอะไรเป็นที่เป็นกิเลสแล้วก็เปิดประตูใจไว้ประตูเดียวปล่อยมันอิสระเลยประตูใจใครตัวเหี้ยมออกมาทางประตูใจนะี่แหละมันจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงอแล้วก็เดี๋ยวจับมันได้แล้วก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของสติตั้งที่ใจ ดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจสติสังเกตอยู่ที่ใจตลอดเวลาเวลาในชีิตประจาวันเนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในขณะในในกิจในกิจการงานที่ทําในปัจจุบันเหมือนตอนเนี้ท่านทั้งหลายเนี่ยกําลังฟังลงตาอยู่ฟังธรรมะลงตาอยู่ท่านก็ต้องมีสัมปมีสติสัมปชัญญะในการฟังให้ชัดเจนฟังให้เข้าใจแต่ท่านต้องมีสติ แอบสังเกตเห็นประตูใจของท่านตลอดเวลาว่ามันคิดนึกตึกต่อพูดซอนภาคซ้อนลงตาไว้ยังไงในใจอ่ะมันจะพูดไม่อยู่ตลอดเวลาเลยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บโอ้ใช่ใช่ใชโอ้ใช่เลยเอ๊อย่างนี้เอ๊สงสัยสงสัยสงสัยเอ๊เป็นเช่นนี้ป่ะเดี๋ยวได้รอพูดจบก่อนจะถามเอ๊อย่างนี้สง ส, สงสัยนั้นสงสัยนี่มันก็พูดทุกว่าเนี่ยซ้อนลงตาตลอดเวลาไม่มีใครหรอกในที่เนี้ยไม่พูดสอนลงตาไม่มี แต่เราต้องมีสัมปชัญญะในชีิตประจําวันเออรู้เรื่องสิ่งที่เรากําลังกระทําอยู่ให้ชัดเจนแต่ต้องมีสติสังเกตมีสติปัญญาที่จะสังเกตเห็นประตูใจรู้ละปล่อยวางที่ประตูใจอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนกับที่เน้นอหานต์เจ็ดขั้สอนว่าปุถีระใบลานเปล่าว่าปิดหมดเลยห้าประตูเหรือเปิดประตูใจประตูเดียวเดี๋ยวก็จับตัวเฮียได้เข้าใจปะเนี่ยไหนที่ถามว่ามีสติยังไงจะมีสติยังไงนี่ยไหน อ่าไม่มามม า, มาแล้วสติอะค่ะอ่าต้องต้องต้องไปเรียนรู้อีกางไหมคะว่าคือเหมือนว่าได้ยินมาว่าสติปฏิฐานสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกายเวทนาจิตธรรมอะไรเงี้ยค่ะคือบางครั้งเหมือนสติเราก็ไม่รู้ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาก็สติตั้งที่ใจนี่ไง อย่ารับรู้ทุกขณะปัจจุบันอ ย, อย่าส่งไปหาอารมณ์ที่ถูกรู้อย่าไ ป, ไปรู้แต่อารมณ์ที่ถูกรู้ต้องให้สังเกตที่ประตูใจ ถ, ถ้าไปรู้ที่อารมณ์ที่ถูกรู้เดี๋ยวมันก็จะไปเพลิดเพลินเจริญใจอย่างนี้หลงเป็นถ้าเข้าไปติดในเป็นความรักมันก็ไปกามเป็นกามอชันทะแต่หลงเพลิดเพลินเจริญใจไปไม่พอใจมันก็ไปเป็นปฏิฆะเป็นความไม่พอใจไม่เช่นนั้นก็เป็นโมหะราคะไม่เป็นราคะไม่เป็นความโลภก็เป็นโทสะปัญาบัตไม่ง่ายก็หลงเพลิดเพลินเจริญใจทั้งวันนี่ยก็เป็นโมหะ สติต้องตั้งที่ประตูใจนะสติต้องตั้งที่ใจเอาสติไปตั้งที่คนโน้นคี้ทั้งวันเน่ยทํางานอะไรทำกิจการงานสติไปตั้งที่คนโน้นตั้งที่ลูกตั้งที่ผัวตั้งที่คนนั้นตั้งที่นี้ตั้งที่งานการทั้งวันเราไม่เคยตั้งที่ใจเลยไอการที่เอาสติไปตั้งที่คนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีสติอมันไม่มีสตินะสติมันต้องมาปล่อยวางร่างกายจิตใจตนเองมันถึงจะเรียกว่ามีสติเพราะสติปัฏฐานสี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้คือสติปัฐานคือ ต้องมีสติมาปล่อยวางร่างกายจิตใจของตัวเองคือกายในกายก็คือในร่างกายเราเวทนาในเวทนาก็คือเวทนาของตัวเรานี่แน่จิตในจิตก็คือตัวเรานี่แน่ทําในธรรมก็คือทําอารมณ์ในตัวเรานี่แน่ในกายในใจเรานี่แนอไอ้สติปัฏฐานสี่ก็คือเนี่ยมีสติมากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทําในธรรมก็คือตัวเรานี่เองอ่ะเออเพราะนั้นแหละไอ้ที่เรามารู้เนี่ยมันก็มารู้ในตัวเราในใจของเราเนี่ย บางท่านท่านพิจารณากายเห็นกายไม่เที่ยงเน่าเปื่อยผุพังเป็นเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นขีเท่าทุลีจนเหลือแต่กระดูกก็ไปเผาเป็นขิเท่าุลีมาจากดินกลับคืนสู่ดินมาจากน้ำกลับคืนสู่น้ำมาจากลมกลับคืนสู่ลมมาจากไฟกลับคืนสู่ไฟมาจากท่านรู้ที่ว่างเปล่าท่านรู้วิจารณธาตุที่เป็นความว่างเปล่าก็กลับคืนสู่ว่างเปล่าหาตัวตนไม่มีบางท่านก็มีสติมาพิจารณากายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนั้นสอบธรัญญาคือความรู้สึกตัวเพื่อพร้อมในกในทำกิจการงานใดในทุกณะปัจจุบันเขาก็รู้ชัดเจน แต่แอบมามีสติปัญญาพิจารณากายตัวเอง้แยกผมขนเล็บฝ่าหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น่อไส้ใหญ่ม้ามตปอดหัวใจอันนี้ให้โยนทิ้งไปให้มันเน่าเๆ่าเน่าเนเน่าไปเป็นดินหมดเลยพอจากล่างไปนึกน้อมเอานะะนึกน้อมเอาแล้วก็เหลือธาตุน้ําก็น้าเลือดน้ำเหลืองน้ําลายน้ำปัสสาวะน้ำไขบานข้นก็เอาไปเป็นน้ำละเหยไปธาตุลมเออธาตุลมไม่ต้องหลักธาตุลมธาตุไฟมันก็ละเหยไปเป็นธาตุเบาเป็นธาตุอาศัยธาตุหลักก็คือดินกับน้ํา ไอเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังไปเหลือแต่โครงกระดูกก็เอาไฟเผาเอาไปลอยอังคารทิ้งหมดเลยหายไปหมดไม่เหลือตัวเหลือตนบางคนก็น้อมกัดติดจอดจๆจดจกัดติดในเรื่องสังขารร่างกายตัวเองไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแต่เวลาสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวตัวพร้อมรู้เรื่องในกิจการงานที่ทําอยู่รู้เรื่องในคําที่พูดรู้เรื่องนในการฟังที่เราพูดคุยกันชัดเจนแต่ข้างในเนี่ยแอบปีนาร่างกายเน่าเปื่อยผุพ ไอเนี้ยตรงนี้สําคัญนะคือท่านมันอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยอยู่ต่อหน้าหลวงตาเนี่ยท่านนั่งทําแต่ข้างในของท่านเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าหลวงตาพูดว่าอะไรอันนี้ก็ผิดนะหมกมุ่นแต่อยู่ข้างในเ่ะบางคนเนี่ยหลับหูหลับตาทําอยู่แค่นั้นไงโอ๊ยนั่งทําอยู่แต่ข้างในเนี่ยแต่ฟังหลวงตาพูดไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าพูดอะไรพอถามเข้าจริงไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ผิดจะสรงจิตออกนอกเมื่อสรงจิตออกนอกพราะฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเป็นหมกมุ่นอยู่แต่ข้างใน ทำอยู่แต่ข้างในฟังอะไรไม่รู้เรื่องก็เรียกว่าขาดสัมพัญญาอันนี้ถือว่าทรงจิตออกนอกกรณีเช่นเนี้ยยกตัวอย่างกรณีนึงเนี่ยเราพาเพื่อนไปหาพ่อแม่ครูาอาจารย์ไปคุยกันเนี่ยไปคุยกับท่านไปสนทนาธรรมตรงนี้ถ้ากระชวนคุยก่อนเพราะไม่เคยรู้จักกันมาก็ชวนคุยธรรมดาก่อนตราทุกถูกดิบไอ้เพื่อนก็คอยตัดตอนเลยขอโอกาสรายงานเรื่องจิตเรื่อยเลยแบอบกว่าระหว่างที่คุยล้มปู่นี่ไม่ทราบเป็นอะไรใจมัน ใส่เย็นเหมือนจุดดำค้างหลวงปู่ตะาวาัดว่าอย่าส่งจิตออกนอกเห็นไหมไม่รู้เรื่องที่จะคุยกันเลยอ่ะบวแต่หมกบุ้นแต่เรื่องข้างในแต่ยังไงเขาเรียกส่งจิตออกนอกเ <c oughs> ร่เพื่อนก็ไม่รู้ไง ม, มันคงจะคิดเหมือนเราสมัยก่อนเนี่ยส่งจิตออกนอกก็ไม่เห็นจะส่งไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นจะส่งออกไปนอกตัวสักอย่างแล้วไปโดนดูว่าส่งจิตออกนอกเพื่อนก็ไม่รู้อีกมันก็เอาอยู่ กับจงปู่วับชวนคุยนะชวนคุยนี่เดี๋ยวก็เอาอน่ยขอโอกาสขอโอกาสมาหาตอนนี้ยิ่งคุยกับหลวงปู่ไปเนี่ยเหมือนใจข้างในอะ่ะมันเป็นเพชรเลยหลวงปู่ดูบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกเยก็ยังไม่รู้อีกแต่เราเนี่ยสะดุ้งแล้ว <c oughs> เราเนี่ยเป็นคนพาไปสะดุ้งแล้วเดี๋ยวก็หลวงปูก่ก็ชวนคุยเลยนะมาจากไหนล่ะอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ฟังอนะ่ะ เดียวอีแล้วขอโอกาสขอโอกาสอีกแล้วบอกว่าอตอนนี้นะใจข้างในนี่นะมันใสเหมือนเพชที่เจรนาในก้าจะเสร็จแล้วแล้วพูดหยุดพูดตะวัดเลยตอนนี้ยบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกไม่รู้เรื่องหรือไงแล้วจนทุกวันเนี้ยเวลาผ่านเนิ่นนานมานันจะลบผูบมาท่าผ้าไปหลายปีแนละ้วยังไม่รู้เรื่องเลยเนี้ยยังไม่รู้ว่านี่คือการส่งจิตออกนอกเลยเขาเราคงจะเหมือนเราเมื่อก่อนเนะ ว่าเอ๊ะไม่เห็นมันส่งจิตหอองออกไปไหนแลยมันก็อยู่ในตัวของตัวเองเนี่ยแหะแต่อย่างเงี้ยมันส่งจิตออกนอกมันไม่รู้เรื่องเลยว่ากำลังทําอะไรอยู่เนี่ยมันเอาแต่ไปจุ่มหมกวุ่นอยู่ข้างในอย่างเงี้ยเรียกว่าส่งจิตออกนอกแต่ไอ้ที่มันส่งจิตออกนอกก็ส่งจิตออกนอจริงๆแหละสมอยนอกตัวเราเลยนี่ก็ส่งออก น, นอก จ, จริงๆมันเลยต้องรู้กายรู้ใจตลอดคือคนไหนพิณากายก็พิณากายไปคนไหนเห็นจิตปล่อยวางจิตก็ปล่อยวางไปอันไหนชัดเจนมันรู้ทําได้ทั้งหมดนั่นแหละปล่อยวางจิตปล่อยวางธรรมจิตก็คือจิตก็คือผู้รู้ธรรมก็รสิ่่งทีถููก้ ปล่อยวางทั้งทั้งอาการที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้แล้วปล่อยวางทั้งผู้รู้ก็รู้นิพพานไปคื อ, อพูดพิจารณ า, าจิตพิจารณาจิตก็คือต้องปล่อยวางทั้งอาการหรืออารมณ์ที่ถูกรู้คือทำอารมณ์ทุกขณะปัจจุบันคือเวทนาสัญญาทั้งขานคือความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์ความรู้สึกเป็นกลางๆคือใจที่โปร่งโล่งเบาสบายว่างไงก็ไม่เข้าไปยึดมันม่นถือมั่นไม่ไม่เข้าไปหมายมัน่นให้มีค่าอยู่ในใจใจที่ไม่ว่างไม่โล่งไม่โปร่งไม่เบาสบายก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น ได้แต่สักต ว, วารุไม่ถูกไม่ดูดไม่ผักแค่สักตะวารุ ouais, แล้วก็ แ, แม้แต่ว่าเอาแล้วมันถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่สักตะวารุมันคอยจะเข้าไปดูดไปผักเราก็เออเราก็รู้ท่อทานันมาเราก็แค่สักตวารุจะเข้าไปยินดียินไ้าเออถ้าเข้ามันยินดียินไล่ เ, าเราก็รู้ต่อทัาทานมาเราก็แค่สักตวะวารุมันสักตะ ว, วารุในตะพุตตะเพอสักตะวารุตะพุตตะเพออย่างเนี้ยตอนนี้เวลาปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางทั้งอารมณ์ที่ถูกรู้เพราะว่าอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยสิ่งที่ถูกรู้ในใจเรามันเป็น มันเป็นรูปรถกินเสียงสัมผัสนี่คือสิ่งที่ถูกรู้ภายนอกสิ่งที่ถูกรู้ภายในใจก็คือทำอารมณ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารมันไปแล้ว3ขันขันมันมีหขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนนี้ไอ้สิ่งที่ถูกรู้ภายในใจเราเนี่ยทำอารมณ์เนี่ยมันก็คือเวทนาสัญญาสังขารความรู้สึกที่โปร่งโล่งเบาสบายเป็นสุขเวทนาไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายเป็นทุกขเวทนาความรู้สึกที่เป็นกลางๆก็เป็นอุทุกขมาสุขเวทนาอยากเข้าไปให้ค่ายความสาคัญอยาเข้าไปยึดถือสําคัญมั่หมาย ไอ้มีค่าในใจมันมันจะเป็นวิปัสนาวุปเทียะเป็นเป็นความยึดถือส่งจิตออกนอกแล้วก็สัญญาจำ ม, มันได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็สังขารคือความคิดบงบงคิดแหรวกะอย่าไปเข้าไปให้ค่าความคันจะหลงไปกับความคิดอจะหลงไปกับอารมณ์อันเนี้ยมันก็เท่ากับ ว, ว่ามีสัพพัญญารู้ตัวตั ว, ตวพร้อมในทุกขณะปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตประจําวันรู้เรื่องตลอดเวลาว่ากํลาลังทําอะไรอยู่แต่ประตูใจเ่ยปล่อยวางทั้งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ไอ้ผู้รู้ก็คือจิตหรือวิญญาณอคต์ ไอ้สิงที่ถูกรู้ก็คือเวทนาสัญญาตังขานตอนนี้ไอ้เวทนาสัญญาตังขานเขาเรียกรวมเรีย ก, ก, กว่าเจตสิกเจตสิกไอ้เจตสิกเนี่ยมันเกิดพร้อมจิตหรือวิญ ญ, ญาณขันและดับพร้อมกันตามพอบิธรรมเนี่ยเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตพอบิธ ร, รมมันคือรูปจิตเจตสิกนิพานรูปจนะิตเจตสิกนิพานดังั้นน่ยรูปก็คือร่างกายจิตก็คือวิญญาณขานันเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาตั้งขันงนั้นน่ยนิพานก็คือใจที่พ้นจากความยึดบัานถือบัาน รูปจิตเจตสิกนิพพานนี่ไอ้นิเจตสิกก็คือมันมันเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตพร้อมวิญญาณอาคารนั่นแหละแล้วพอวิญญาณอาคารเนี่ยมันไปรับรู้รูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วมันจะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาทางขานพอรับรู้ปุ๊บมันส่งต่อเวทนาสัญญาทางขานทันทีพอมันเกิดเวทนาปุ๊บถูกใจไม่ถูกใจไปกลางกลางถูกใจก็ไปตุกเวทนาไม่ถูกใจก็ไปทุกเวทนาไปกลางกลางก็ไปทุก็ตุกเวทนาแล้วก็ไอ้วิญญาณตัวเก่าก็ดับไปเกิดวิญญาณจิตวิญญาณขาคารตัวใหม่ มารับรู้เวทนานั้นถึงเป็นธรรมอารมณ์แล้วก็ส่งต่อสัญญาณังางขานแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดวิญญาณขันตัวใหม่มารับรู้อีกนี่เงี่ยสลับไปหมุนไปเรื่อยๆหมุนวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในการรับรู้ดันั้นเวลาปล่อยวางถึงต้องปล่อยวางทั้งในอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วปล่อยวางผู้รู้คือจิตวิญญาณขันด้วยจริงเรียกว่าปล่อยวางขันทั้งห้าได้แต่เอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางแต่สิ่งที่ถูกรู้มันไม่ปล่อยวางตัวเรามันเท่ากับไม่ปล่อยวางวิญญาณขัน เลยต้องเวลาปล่อยวางต้องปล่อยวานต้องอติดกิจถูกรู้แล้วผู้รู้เรื่อยๆไปทุกขณะปัจจุบันปล่อยวาทั้งหมดปล่อยวางทั้งยวงปล่อยวางทั้งยวงต้องิกถูกรู้แล้วผู้รู้เรื่อยไปปล่อยวานทั้งหวงวงง ล, ล, วงลวงคือไม่เข้าไปยึดมั่นถือบ้านอะไรเลยมันก็เลยจะไปพบใจที่มายึดไม่ยึดมั่นถือมั่นเรียกว่านิพพาน